พระประเจกองค์สุดท้ายนี้ท่านอาศัยอยู่นะพณพระนครราชครึกครั้งนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ของเราอุบัติขึ้นแล้วพระประเจกก็ยังผ้าอรหันนี่ยังมีอยู่นะแล้วพร ะ, พระประเจกกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผ้าอรหันก็อยู่พระโพธิสัตว์ก็เราก็ประสูติขึ้นเทวดาทั้งหลายก็พากันมาเพื่อประโยชน์แก่การบูชาพระโพธิสัตว์เห็นมาตังคปพระเจกกับพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าท่านผู้นิรุทุกท่านผู้นิรุตุกพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วในโลก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 เสร็จแล้วก็ใส่โครงกระดูกของพระประเจคผู้ปรินิพานแล้วในการก่อนใส่ลงไปในเหวเอาพระธาตุธาตุรธาตุรวมใส่ลงไปในเหวกล่าวเป็นคถาวาราคันจะโทสั์จะปหายะโมหังสันธาลยิตวานะสังโยชนานี้อสันอะสันตสังชีวิตสังขยมหิเอโกเจเรฆข้ า, ข า, ขาวิสานกัปโปบุคคลละราคะโทสาและโมหะแล้ว ทำลายสังโยชน์ทั้งหลายแล้วไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรตฉะนั้นนะก็สิ้นราคะโทสะและโมหะก็เหมือนกับกล่าวแล้วในอุราคะสูตกึกละราคะโทสะโมหะด้วยด้วยอะไรด้วยตะทางข้าประหารวิขำพระนะประหารสมุเฉทประหารปฏิปัสสัที่ประหารและนิสรณะประหารก็คือละราคะโทสะโมหะด้วย สมถะด้วยวิปัสนาเนี่ยนะหรือราค า, าโทสะโมหะด้วยศีลสมาธิปัญญาราค า, าโทสะโมหะด้วยอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาและอธิปัญญาศิกขาที่เราเรียกกันว่าสมถาวิปัสนาอริยมรรคก็ตัดราคาโทสะโมหะได้อย่างเด็ดขาด สังโยชนานี้ก็คือทำลายสังโยดุด้วยมรคนั้นๆเนี่ยนะเช่นโสดาปฏิมรก็ทำลายสังโยชน์คือสักายยทิฐิวิจิกิชฌ์ศีลภัตตาปรามาตอันนะมัชย์ริยาสังโยชอิสาสังโยชดเนี่ยนะอิจฉาริษยาสังโยดนี่ถูกโสดาปฏิมรละได้แล้วเนี่ยนะท่านพระโสดาบันเนี่ยไม่มีจิตใจที่ริษยาไม่มีใจที่ตรณีนีทีเนียวเนี่ยไม่มีอนณาคามมรก็ทำลาย การมราคะและพยาบาทสังโยชดได้โดยสิ้นเชิงอรหัตตมรักก็ทำลายฉันทราคะในรูปประพบารูปประพบทำลายมานะตัดอุทจฉะและอวิชชาความโง่เขลาโดยประการทั้งปวงนีนะ่บทว่าอาศันตัสังชีวิ ต, ตสังขยมหิการจุติคือการแตกดับแห่งจิตเรียกวความสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นถึงความสิ้นชีวิตก็ไม่มีความสะดุง้งเพราะตัดฉันทราคะในชีวิตเบ็ดเสร็จแล้ว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 สิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ลองคิดดูแม้แต่ถ้าเราไม่มีฉันทราคาในสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นจะสิ้นไปเนี่ยนะเราก็ไม่เสียใจโดยปกติเช่นว่าเราเห็นว่าเล็บมันยาวน่ารําคาญมากตัดเล็บร้องไห้เลยไหมไม่ถ้าเรารบอกว่ามันรำคาญเราไม่ต้องการอึดอัดไม่มีฉันทราคาตัดกรับกรับั บ, บ, บไปก็จบเลยเออดีใจด้วยเอาไปทิ้งไกลๆเลยไปยงั้นนะถ้าถามว่าถ้าผมมันยาวรกรุงรงังอุ้ยน่ารําคาญเนี่ยนะไปตัดผมเนี่ยเสียใจไหม โอ้ยเนี่ยเส้นนี้ก็ขาดแล้วเส้นนี้ก็ขาดแล้วเศร้าใจเลยไหมไม่หรือคนที่ถมน้ําลายที่ปากเลยนะว่าแบบโอ้ยน้ำตาดำเชื้อโรคเต็มไปหมดอมไว้ไม่ได้ต้องบ้วนทิ้งเนี่ยนะถามว่าโอ้ยอะไรอาวรบเลิศเกินหากระถนทองคํามารองหรืออย่างงีไม่เอาไปไว้ไกล ๆ, ๆ, ๆเลยเดี๋ยวมันจะติดเชื้อเนี่ยนะเพราะอะไรฉันไ ด, ด้ก็ได้หรือเหมือนแปลงฟันเนี่ยนะไอ้พวกเศษอาหารที่อยู่ข้างๆฟันเนี่ยเราติดใจไหมบอกไม่หรือว่าเวลาอาบน้ำเนี่ย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 ถ้าบอกว่าเรารู้ว่า ก, กระดูกตัวไหนเนี่ยนะมันจะนําเป็นซึ่งมาซึ่งบอกว่าถ้าเก็บกระดูกชิ้นนี้ไว้แล้วกระดูกชิ้นนี้มันจะก่อมาเร็งเปนต้นขึ้นมามาเร่งกระดูกเนี่ยนะอยากจะรักษาเอาไว้ตลอดไปไหมนี่กระดูกของเราอย่าเอาไปไหนเลยเอาไหมไม่เนี่ยนะถอนฟันเป็นต้นที่จะบอกโอ้ยมีฟันฟันที่มันแหม่ทั้งผ Ł, ทงุทั้งเปื่อยทั้งเน่าเป็นต้นเนี่ยนะอ้าปากทีก็เม้นตลบอบอวนไปหมดไหมอยากจะรักษาเอาไว้ต่อไปไหมไอ้ชิ้นนั้นเนี่ยอ้าทําไมไม่อะไรอาวร์ล่ะ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 ก็เหมือนกับว่าเห็นเรือที่มันรั่วๆนี่นะเรือรั่วที่จะจมไม่จมแลแล้วมีเรือดีกว่าเนี่นะจะขอเกาะอยู่กับเรือจมเหล่านี้ตลอดไปไหมบอกไม่เอาแล้วเนี่ยนะหรือไม่คิดจะเปลี่ยนรองเท้าเลยหรืออย่านั้นนะขอใช้คู่เก่าๆผุๆเหล่านั้นนะะก็ไม่หรอกฉันใดากายเหล่านี้ก็ฉันนั้นถ้าพิจารณาโดยเย็บใครใครครวญโดยละเอียดทีท้วนเนี่ยนะตามหลักลักษณะของการพิจารณาตามแนวอริยสัจแล้ว ไม่ได้มีอะไรน้าอะไรอาวอนเลยสรุปว่าควรจะตายด้วยใจที่อะไรอาวอนหรือควรที่จะจากไปด้วยใจที่สงบอะไรอาวอนเหลือเกินเดี๋ยวจะต้องจากผมนะนะอุตสาห์แม้ตัดผมแต่งผมมาขนาดนี้จะต้องจากแล้วหรือเป็นต้นถ้าอะไรอาวอนขนาดนั้นก็น่าจะเป็นเห็บเป็นเ่าอยู่แถวนั้นน่ะ ถ้าอะไรสิ่งใดก็แหมพันพันอยู่กับแถวสิ่งนั้นน่ยระวังให้ดีเนียอย่าไปติดข้องมากร่างกายเนี่ยมันจะเป็นมันจะตายก็ช่างมันเถอะแต่ว่าก็ดูแลไปตามเรื่องตามราวไปนะดูแลเหมือนดูแลแผลสดที่รักษาไม่หายสักทีหนึ่งมาให้คิดอย่างนั้นแต่ถ้าโมอะไรอาวรนติดข้องท่าแต่แป้งนั่นเดี๋ยก็เป็นนกปลายางนะไม่ น, นี้เล่าตามในธรรมบทไม่ได้ว่านะถ้าใครรับเอาก็ตามใจ <laughs> ในคาถานี้มีอธิบายว่า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 ไม่สยดสยองไม่พรั่นไม่กลัวไม่สะทกสะทานไม่หนีละความกลัวและความคลาดได้แล้วปราศจากคนลุกขนพองในเวลาสิ้นสดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่สะดุง้งในเวลาสิ้นชีวิตเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอแรกจะขออะไรอววรกับกายนี่หรือว่าจะจะอยู่หรือจะไปกันดีอ่นะจะจากหรือจะอยู่วะนะอยู่ก็มันอยู่ตลอดไปได้ไหมยงนั้นนะโอ้ยอะไรจะทุกข์เท่ากายไป็มีอีกแล้ว